ตต่อในไทยขอบรรดาท่านพระตรีจตรย์จัทั้งหลายตั้งใจฟังคาแนะนำในการปฏิบัติสัตย์รู้ในการเจริญรัมะฐานของบรรดาท่านพระตรีัตย์โดยเพราอย่างยิ่งท่านมีมาใหม่กรอาจจะสงสัยว่าการเจริญรัมฐานวันนี้ ทำไมจริงไม่ให้ใช้คำภาวนาแทบเก่าๆตามที่ปฏิบัติกมาแล้วตรองมีหลักหลักจากว่าคำภาวนาที่ภาวนาอย่างไหนก็ได้ไม่กันรับนั่นเป็นการปฏิบัติในขั้นของสุขาิปัตจโกในการเจริญสัมมาทิฏนี้มีเจ้าสี่หมดชนหนึ่งสุขาริบัตจจโก บทนี้ภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ตามปติยาใจถ้าไม่หวังสมาทานสี่สิทิหวังว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทิงการสมาบัติและก็ใช้ปัสจานายานคำพิรณาศักดิ์สิท์เพืสมุทัยสุภานันอย่างนี้ไม่จำกัดคำภาวนาะแต่ว่าได้สุขภาพพนั่นแหละถ้าว่าหวัจงจนสมาฐานสี่สิทิ ก็ต้องเปลี่ยนคำภาวนาเป็นสี่สิอย่างตามบทที่วางไว้ขณะอีกสามขั้นคือสีวิโชตราชินโยปฏิสันนิทัตโตมีคำภาวนาอย่างหลายๆแบบละหลายชนิดแต่ละว่าจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าวันนี้คำบรรดาทั้งสูบริสัทธิมาใหม่บอกว่า ว่าคำภาวนาที่ใช้ภาวนาวันลนะมะสะสะืสะอียกวันนะมะสะสะทีย้ำเียวว่าจะฟังไม่ถนัดเวลาภาวนาใช้แบบนี้เวลาให้ใจเข้านึกวันะมะเวลาให้ใจออกนึกวานละส ะ, สะ แม้แต่เวลาภาวนาก็ดีรู้ลมให้ใจเข้าใจออกก็ดีอย่าลมให้ใจไปตามสบายอย่ามาคับลมให้ใจให้แรงแรงเส้นหลักสมองก็จะรู้งนน่ายๆอันนี้มันถูกต้องเลยลมให้ใจไปตามปกติเ้าจิตเข้าประสาทว่าเวลานี้ให้ใจเข้าแล้วก็เลื่อนกนะมะ เวลาลมไม่ใจออกแล้วมันไม่สวดพระพระไหลมไม่ใจจังสลายแล้วก็ว่างเบาๆแต่ข้าไม่ไม่ต้องวาออกเสียงนึกตามจะได้ไม่เหน่อยแล้วกิจกรรที่สองการภาวนานี่ไม่ต้องใช้สมาธิหนูไม่ต้องทำโดยเอาลมให้สงบจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งหมดไหลลมไม่ใจวายลมจังสลาย กองจิตได้แค่ไหนก็รอยไปตามแค่นั้นหูยังได้ยินเสียงอยู่ก็ข้างแต่ต่อไปพอข้าหูไม่ได้ยินเสียงในบางวาระโาวนาไปโาวนาไปอาจจะเือไปบ้างออกล็ลอยพอไน่เข้ามันได้แบบเผลอไปก็จากเพืมคนใหม่หายใจเข้าไมกวนนะมายใจออกเราพัก่อไปอีกอีเสื่อมหนึ่งมาจากเผอไปบ้างรู้ตัวก็ดินกับต๋อใหม่ ยังนิ่งใช้ได้ยิ่งไม่แช่ว่าในช่วงภวนามันจะไม่นิอะไระเฉลยที่เราห้อมมันไม่ตายแต่ความจริงแล้วมันอยากมันได้จริงแม้แต่ที่จิตมันจริงแต่เวลาที่ภาวนาอยู่เนี่ยมัต้องการให้จิตเป็นสมาธิทำว่าสมาธินี่ทําไม่จําเป็นต้องหมูไม่ได้มีอะไรเลยด้วยจิตมันจะมีหลงมันวิ้อยา่างร์หนึ่งวับ้างก็ไม่จําเป็น ผมกได้ยินอะไรก็สั่งสางอิจฉาอะไรอื่นมาบ้างก็สร้งรู้ตก็ตัดตามันไปเรื่องภานาใหม่เมื่อทาได้อย่างนี้เขาก็เรียกว่าจิตสมาธิเขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิไอาจิตนั่ทั้งตั้งอยู่ในอุปจาระสมาธินี้แล้วพระพกกุทธเจ้าอุว่าเป็นจิตที่ตั้งอยู่ในรงเป็นสิขกัดีุกข มายความว่าวถ้าจิตเป็นฌานก็เลยไปเลยความเป็นคิดถ้าตัง้งโวจารสมาธิคิดมากเกินไปก็จิดก็ไม่เป็นไ่้ว่าไปแบบราจะบารกับเลิบังดึงมันได้บ้งางก็ดึงนได้มากกาว่าเงดึงได้มากกว่าเลอย่ามนี้วปฏารสมาธิขณะที่ภาวนาอยู่นี่จงยาลม่ยาูอยาเห็นอะไรทั้งหมด พว่าเป็นการที่ต้องการให้จิตมีกําลังถ้าไปนึกอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตจะเลยหมดกําลังให้งานจิตก่อนอย่าเพิ่งใช้งานจิตเอาสร้างใจรู้รลงใจเข้าออกแ ร, ระรทรวทำาวนาตอนนั้นเมื่อจิตมีกําลังพอสมควรเขาเรียจารณสมาธิอารมณ์ก่อนจิตตอนนั้นเมื่อเวลาได้แสงแดดจะมีคนเข้าไปแนะนำท่าน ตอนนี้คนเขาไปแนะนำนี่ตอนนั้นก็หยุดทำภาวนาทั้งหมดแค้วก็ไม่สนใจก็ไม่ใจออกออกคําแนะนําองพู้แนะนำตัวแนะนำบอกยังไงก็ชินใจไปตามนั้นธรรมะท่านผู้ใหม่นี่สำหรับทัานผู้ใหม่รนะีทีปฏิบัติก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากแต่ต้อระวังใจาท่านมันทรงตัวอยู่ ว่าแค่นั้นเป็นวิธีปฏิบัตแต่การใช้กําลังใจนี่ต้องฟังต่อไปนี้ด้วย <c oughs> การใช้กําลังใจถ้าท่านไม่ถูกต้อง่ก็ไม่มีผลถ้าใช้กําลังถูกต้องตามที่เราบอกต่อไปนี้และต่อคืนนี้มีผลแน่นอนแต่วันอยู่ที่ไหนท่านจะไปสวรรค์ได้รงอยู่ที่ไหนท่านจะไปรมได้นิทานอยู่ที่ไหนท่านจะไปนิทานได้ ถ้ามีเวลาก็อาจจะพาไปในรูไปไดูนรูต่างไปดูเปิสบ้างดูสะกิกายบ้างดูิสันบ้างและวไดหรับท่านที่ได้ผ่านมาแล้วตันนี้ก็มีการกาาสุญญ์แปดนอกจากจะไรงให้เป็นที่รู้สวัน์นนในรกปนุิพันธ์แล้วก็ยังมีญาณแปดนเกอีกสาหรับญาณแปดนี่ก็หนึ่งที่เกเปญาณ การเห็นสีเห็นเนื้อใดในรูปเสลวันู้อารมรู้ของที่ลี้ญญลับด้วยวจิตรภูยานสำหรับผู้ทได้มาแล้วก็ได้มาแล้วตั้งแต่มืต้องเป็วันนี้อันนี้เป็นดัชนีเราจิ้งวิจิรภานนี่ทิ้งในทั้งเรงตัวต่อไปก็เป็นการสุาที่ฟังไม่จะยงไม่ถือาราได้มนวแล้วมันกลังงกว่า เป็นไปเป็นว่ารู้จักเอาสิ่งนี้มาใช้ใเป็นประโยชน์เ่านั้นขอมที่เรามีอยู่แล้วเรามาดูจัใช้ถ้ากดจริจริกมาได้คนที่ไาโนยู่แล้วของเรามก็ติดตา ม, มันเลยแต่ว่าไม่แนะนากันไม่รู้สิใครก็เป็นกอกเฉยอยไใส่ขอัหที่สองยาที่สองก็วิญปุตตูกราาดิญาตวตูปราพาิญาณี้ถ้าเราฝึกจริงต้องเห็นคนเห็นตัด เราจะรู้ได้ทันทีว่าคนนี้รัชต์คนนี้ก่อนจะมาเกิดเป็นคนนี้ขึ้นมาจากไหนถ้ายิ่งข่าวคนตายก็ต่ตเห็นหน้าไม่ต้อรู้ประวัติเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าคนตายที่ตายแล้วไปไหนอย่างนี้คืออะไรสุปปาปัยญาต่อไปก็เป็นเจโตเพียญญาเราได้ยินชื่อคน เราจะรู้ได้ทันทีว่าจิตใจผู้คนนี้เป็นใจดีหรือว่าใจเลวเป็นผัวเป็นคนคนธรรมดาหรือเป็นผู้ทรงการโลกีหรือว่าเป็นพระอาเรชเรารู้ได้ท่านตอบใคอันก็เป็นศุภเทวีวาสารกสติญาณเราสามารถจะรึกชาติภายหลังชาติที่เราได้ตานลำดับ เราเคยเกิดเป็่อะไรบ้างแล้วหมดพ่อเสื่อไรแม่เสื่อไรตัวเราเสือไรเมียกิจยังไงมีความมีความเด่นความบาปยากชั้นเป็นยังไงเรารู้ประวัติเดิมเราหมดทุกอย่างแล้วต่อไปก็มีนาฏยานสามารถบริการนดีชื่โดนมาแล้วพวกเราองอขาจำเอเขาสตว์เขาสถานที่แม่นายพระตานยานรุ่นนายพุทธนาถพวกเราด้วยเขาด้วยต้องการที่เดีย หลัจกจุกป น, งนังจงยานเวลานี้ใครอยู่ไกลสายไกลมีชีวิตยอยู่ไม่ตายเแลาวก็มีความมีความทุอยู่เปนไรทมอะไรอยู่แล้วต้อ ง, งรู้ใจแล้วก็แยกาขายสมุตา ย, ยานยานตรงนี้ถ้าเรามีความสุข่ามีควา ม, วามทุกข์มีค น, นแ่งแกล้ไม่มีคนตอบสองเราจะรู้ว่าใช่ก่อนมาทำอะไรไ่าจะให้ผลเป็นอย่างนี้ ในหลวงพริตก็มีความสุขกมีความทุกข์เราจะรู้ได้กันทีว่าคนที่มีความสุขความสุกข์นั้นเขาอาศัยกรรมอะไรช่วยถ้าอาศักรรมอะไรบรนดาลทำให้ยานทั้งหมดนี้จะสุดได้ทำให้กล่องจะมีความสบายใจมากสที่จะเป็นสุขไม่รู้ว่าท่านที่ปฏิบัติใหม่วันนี้ยังไม่ได้กับเขาถ้าปฏิบัติได้แล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็จะสอนอยานแปลกให้ ส ำ, สำหรับท่านใดแล้วทักษะไม่สมบูรณ์เสมอเพื่อตั้งตรงตัวเพื่อการทั้งคร อ, องแคลและก็จง ย, ยางทิ้งด้ว่าจริงๆแลยทั้งหมดนี่พักเยีตองจริงๆแต่มีผลณีจริงดิว่าท่านที่มาปฏิบัติใหม่เพื่อต้องการให้ได้ในวันนี้แลวก็ท่านที่ปฏิบัติเก่าต้องการให้ยาต่างๆที่ได้แล้วไม่เสี่ยงหรือว่าดียิ่งๆต้องการเท่ จะต้องรักษารมใจของเราต่อไปนี้เป็นปกติหลัก <c oughs> แ, แรกคือมีความรู้สึกเจ็บเสมอถึงแม้มว่าเรจะมีสามีมีภรรยามีบลูกมีหลานมีเหรัญญ า, ากัานเคยรู้สึกว่าเราเหตุผลไหมว่ามีคนแม่น้อมมากแต่เราก็เป็นคนคนเดียวอยู่เสมอด้วยคนหนึ่งพวเราเป็นคนคนเดียวไม่ก็เือร่างกายของเาเอง ถด้ใครของเราเนี่ยมันไม่เป็นสองคนไม่เป็นพวกมากก็อะไรเพราะว่าถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเป็นเด็กถ้าเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็เป็นพวกเราคนเดียวไม่มีใครเขาไม่ช่วยให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยขึ้นมาได้หรือว่าถ้าเราเป็นห่มเปนสาวจะเไปตามกาลเวลาก็ไม่มีใครสามารถจะมาใแกล้งให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวชาไปได้ ดังนั้นว่าเราก็เป็นเราคนเดียวไม่มีธรรมะห้ามจานได้นี่ไม่ห ม, เมดเพีหนึ่งในสุขีสองมาถึงเวลาเราเป็นหนุ่มหนุ่มสาวตอนที่เราจะแก่มันก็จะแก่ไปชทวนทวนอนุอ้นนาว่าเราแก่แล้วมันไม่ดีแล้วคนอืนเขจะจายว่าถ้าเราแก่แล้วเรียวแรงมันน้อยสัญญ า, มมามไม่ดีคฟังข่องตัวไม่ดี เนลาที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวทางานคล่องตัวยเหือคนดีเขาไม่ต้องการให้เราแก่วันหนึ่งแบ่งความแก่จะเป็นเราจากเราเป็นคนนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เราแก่ก็ทําไม่ได้นี่ครับเมื่อความแก่ไมนได้เข้ามาถึงเรามันก็ต้องแก่วงดาวเราก็ต้องแก่คนเดียวไม่มีใครเข้ามาแบ่งความแก่เข่ามา ตมาในขณะที่ทรงโตอยู่นี่ถ้าบัเอิเราจะป่วยไข้ไม่สบายรู้ไตมว่าเราเป็นคนหน้าบ้านเป็นค ห, หน้ากมา ห, หน้าบ้านน ห, หน้ามกมเ็บ่วยด้วยคนเดียวคนในกุ่มในบ้านนั้นก็มีวามลำบากตกต่ำหนา่าคนทุกคนต้อมาอยากให้ค ห, ห, หน้าสุมเ็บไข้ไม่สบายจะมีใครบ้างไหมที่จะไม่ช่วยแบ่งความป่วยไข้ของเราไปนคนละเลกคนละน้อย เราจะได้ไม่ป่วยไม่ใข่เพราะวาไม่ได้เมื่อเราจะป่วยเราก็ต้องป่วยคนเดียวคนอื่นช่วยป่วยไม่ได้จะแบ่งป่วยไม่ได้เพื่อให้ความตายเพื่อจะเข้ามาถึงเราคนทุกคนที่จะมีความรักเรามีความหวังมีต่อเราถ้าเขาไม่ต้องการให้เราตายเพื่อแบ่งความตายไปให้คนเล็กคนน้อยเขาก็ไม่ตายเพราะว่าต่างตายทุกเป็นหนึ่งแรงแรงหมดเป็นหน่อยหนึ่ง นี่ว่าสุขภาพคงเป็นหนึ่งเขาแบ่งกันเป็นคนน้อยๆเสรแบ่งไปเพื่อไม่ตายเขาก็ไม่ตายเราก็มีความสุขในใจเป็นไปเขาก็แบ่งไม่ได้เราก็ต้องตายคนเดียวตอนนี้ขอทุกท่านจงจับสายกําลังใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะอยสักทีคนก็ตามเราก็เจอผลคนเดียว เวลาที่เรายิวเราก็หิวคนเดียวเราร้อนล้วก็ร้อนคนเดียวนราหนาวเราก็หน้วคนเดียวเรานวดเรวก็ปวดคนเดียวเราแฝแล้วก็แฝดคนเดียวเราเตายเราก็ตายคนเดียวแต่ว่าคําว่าคนเดียวในที่นี้ไม่ได้ตัดความเมตตาและความกตัญญูคนใด <c oughs> เรารู้ตัววทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของเราคนเดียวคนดูแลแต่ว่าสิ่งที่เราต้องกาถ้าเป็นเพ่อบ้านแม่บ้านเป็นหุ่นหน้าและเป็นคนตัดสินผลการ งานทุกอย่างในหน้าที่ทําให้ทุกทุนทุกอย่างและยกต้องการทำงานทำได้ทาสวยค้าไายการแสวงหาทัพย์สินมาเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเองความปกต้องทําให้ทุกทุกอย่างไม่ใช่รู้สึกว่าคนเดียวเลยไม่ท้องไปไม่ทาอะไรเลยไม่เป็นไรถ้าเราไม่ทํานาดนี้เป็นคนเดียวไม่ได้ จิเป็นจะวุ่นถ้าเราทำเครื่พเรามีข้าวกินเรามีกับกินเรามีเงินใช้เรามีที่อยู่ตามของดวงตาะตามกังวลของจิตมันก็ไม่มีเมื่อความกังวลของจิบไม่มีจิตแล้วก็เป็นเพราะว่าเราเป็นสมาธิของเราเองถ้าจะทำสมาธิเราทำวิปัสสนาส่าสบายงานกัางวันมีอะไรบ้างทำให้หมด ทาไม่ครบอย่าเลยข้างงานวันนี้ยข้างจนวันพรุ่ ง, ง, งนี้เวลาจะเรียนสมาธิอีกสิบเลยถ้าข้างแล้วก็จิตมันหงุดมีรวยการี่สองงานได้ฟังปัตยรู้คุองเข้าบคนก็มีคุณอันนี้ต้องทำให้หนักถ้าทำหนักแล้วก็สลการปฏิบัติมีผลนากจากเวลาที่เราปฏิบัติสมาธิเวลานี้เราตัดความโอนใจอะไรทิ้งหมด คิดว่าเวลานี้เราคนเดียวจริงตูปหลานเลนเราพาทำวารกิจให้ครบทุกอย่างแล้วไม่ห่งแลเวลานี้เราหวงเราคนเดียวแต่ถ้านึกไปทีเออตเราเขาจะตายเวลานี้เราหวงเนี่ยแม้ต้องรู้ตัวเราหนึ่งอันแรกเราไหว้พระรัตนกายคือไหว้พริจากย์พระธรรมพระอริยสงฆ์เวลานี้เราได้ไหว้พระอริยเจาคุณมุตติจารย์พุทธา ถ้าเราตายเวลานี้อย่างเร็วๆเราก็เป็นเทวดาเปสวรรค์สตารวีไม่ก็ดีกว่าความเป็นมนุษย์ที่นั่งอยู่เวลานี้เรามีโอกาสสมาทานสีนี้ก็ดีมากีี้หชีวิตเลยนะถูกกระจิงยันติสตายแล้วไปสวรรค์ถ้าเปเกิดเป็นคนใหม่ก็มีความสุขมีความตั้งมั่มีความสุขตกุ้งมมากเลยนะคโักับกรรมชา เป็นเทวดาก็มีท hmm. nah. ี่ประดิษฐ์บัลลักเสือเป็นคนก็ร่งหนุ่มหาศาลดีเลยในนี่ผมจริงยันติเรามีสินสินจะตายเราไปอลค์ฐานเมื่อดจะตัดสินใจว่าถ้ามันตายเวลานี้ก็ะช่างมันจะได้ตายตายจากคนเป็นเทวดาเป็นที่ใดเอกัน้าตัดสินใจว่าถ้าตายเวลานี้ไม่ตายยาว้ลยที่สึกฉันก็ไปสมัย เป็นเวลาดีไม่ดีสิเรนี่ดูตัวเองดีสิเราได้กานบายตัดสินใจไงไใหญ่คนอื่นไม่หงไม่ไม่หงใหญ่าก่นีมติมดีนะโดยันาว่าทุกคนตัดสินใจได้อย่างนี้แล้วก็นนี้คนที่มาใหมทุกคนได้จำสชัดเจน เย็นตะวันเห้นดวเด็กเดี่ยวหะันได้เห็นมเห็นได้หันสิบิชาจะได้เห็นดวงเด็ดเดี่เห็นภาวะวิภานจ ะ, ะนนเป็นที่ขื่นใจของทุกคนทั้งหมดแต่ว่าจะทำไม่ได้ไปไม่ได้จะมาโทษกันทั้งหมดนะฮะตวองความว่าการควปฏิบัติเรื่งนี้ให้ตัดสึนใจไว้เลยเฉพาะถ้าเราปฏิบัติเพื่อทิ่ผ่าน จะไปตีตัวก่อนเข้าแล้เราไปริษานไม่ได้เขาถึงบอกไว้ให้ีเขาไได้แจ้งบอกว่าฝกเตี้ยนะภูมิาจนทุกคนอ่ะข้าต้องการในการเยริญสมรรคากรรมฐานนิยตนากรรมฐานโดยที่ไม่มีใครจ้งโดยที่ไม่มีใครบังคับและจะไม่เด้ปัส่าวจะมันดูขาทน ตั้งใจว้เลยาไปนข้นิพพานอยากขนได้ยานต่างๆที่เขได้กันมาด้วยความสนใจมาด้วยความสนใจอย่างนี้เดมาด้วยสัพพะแพ้พระพุทธเจ้าท่านเนี่คนระเืิอนี้ที่เรว่าขุตรเซนตะพุะตาถ้าว่าขุตรเซนตะพุญตาในหมายความคนพวกนี้แหละสร้างสมบุญบรมวีมาเมฆาสาน นับเป็นอะไรนั p เป็นอะไรสงไข่สงไขกับไม่ใช่สงไข่กับเดียวนับเป็หลายๆสง่กับาว่าที่เราปฏิบัติเรีว่าเป็นนักปฏิบัติที่ขั้นบารมีปฏิบัติในบารมีเป็นสักระวียังที่ถ้าเรเป็นบารมีเขาเรียก p ่าบารมีธะเป็นบารมีที่มีความสงส่งน n ่ แต่คนใดที่มีบารมีเป็นบารมิตบารมีเนะคนทุกคนประเทศนั้นมีหวังมีฝันในชาตินี้ทุกคนมันไม่อแต่ว่าถ้าว่าท่านคนใดไม่รู้จักใช้บารมีนี่เป็นประโยชน์และก็จบบอกเท่กันแต่ไอ่ไปที่พานได้ก็ไม่ไปเหมือนคนที่มีความโง่มีเงินอยู่ในกระเป๋ามากมาๆแต่ไม่รู้จักใช้เงินเดินหิวกระเป๋เสียขายกังเกงขาดโมกขาดต้องข้าคัด แล้วน่งคาบลูกรเไม่มีอหารกันยูเตัวเแต่เมื่อใช้จรงจริงนรีในกระเป๋ามันใช่ได้เสือเสือเสื่เกลือ่ส้อมกเสื้อผ้า้ออหรกินได้แต่มันใช้ไม่เป็นรูะความโมโก็ตอนหย้แบบนั้นกดนี่ไตายไปเลยไม่รู้จักความสุขเป็นการอิจฉาทั้งนี้เาอะไรต้องม่อนกัคนที่มีบรรมะธรรมดา มีบา ร, รมีเต็มสั่งสมบารมีแล้วในคนที่พอใจในการจะเรีนพระสังฆทานด้วยชาติแท้เนี่ยถ้าปร่อยบา ร, รมีไม่สั่งสมส่ออี้นิหนึ่งไม่หวังปฏิภาปชาติา น, นี้ก็ไม่ได้ไปฏิภานถ้าชาติต่อตไปถ้าไม่หวังอีกก็ไม่มีโอกาสจะปฏิภาณถ้าหวังตั้งใจไปนิพันธชาติไหนก็ได้ไปชาติไหนดังน้ขอทุกคนที่มาเนี่รู้ตัวไว้ด้วย ว่าที่ท่านมาด้ความตั้งใจจริงนะไม่ใช้ตัดใตว่มาต้องการปฏิบัติจริงเวลานี้ก็ตัดสินใจจริงรู้ตัวไม่เราเป็นคนปฏิบัติแบบนี้ันไร้อสงััเราเป็นคนที่มีเราเป็นเบ ร, รมิมธีเปที่เรียกว่าปรมาภิรมยเรามีสิทธิีป่ปิบิในท า, นใางถ้าเราจะเจอปัญหาอีกเรมันลดปรมา เป็นยุบันดาดผมก็มหมายถรื่อกปริพ า, น, านนิพัที่อยากปริานจะต้องนรกก่อ น, น, กกนอดแกนรกก่อนทที่นรกาตัดสิในใจแบบนี้นะว่า ต, ต่อไปคิดถ้าบางเอิญจะเจอที่คิดถ้าคิดถ้ากระตังทำร้ายว่าผลอะไรกระตังเรไม่มีโ อ, อกาสลงมากแน่นอน เรบาปอนน้นทุคนเราไม่ได้ตามเราไม่ทันต้องทาใจแบบนี้นะทำใจแบบนี้ทาตั้งแต่เดนี้ไปตั้งแต่วันลรจุดกว่าจะตายทาใจแบบนี้ทาไงหลทีนึงเราใช้ปัญญ า, า, ากเจรณาพระพุทธเจ้าดีไหมพระธรรมดีไหมพระอริยสงฆ์ดีไหมพ้ะอริยสงฆนี่จะไปดูพราะทุกไปไม่ได้นะ พระที่บวมาเลเพศธรมชัยเรียอนสงหมายความนั่นกระโสดาบันีเกาท่านนี้ท่านีแล้วก็มอบกายถวายชีวิตเลยที่นี้ก็บอกแด้ว่ยขอมอบกายถวายชีวิตพระองค์มัวาพ้าการมอบกายถวายชีวิตมันยอมรับอะองค์นคิงกันแล้วก็จะปฏิบัติการคำสและคสอนของเจ้ ต้องสั่มายังไงสอนมายังไงจะปฏิวัติต่างต้องใจจะตียวนีนั่นแบบนี้ให้คำสั่งอันดับแรกที่พระเจ้าทรงสั่งทุกท่านรงมีสิ่งจังหวะพลว่าอันดับแรกก็สิ้รัสิจงร้อยยี่งทุกสิขาหดห้าอมันจะเป็นไปด้ยังไงเราตามเราไม่ยอมเรเมื่แน่นอน มีนั้นไม่ขาดยากคุณต้าดดเจตนาถ้าเราไม่ตั้งใจเราไม่เห็นเราเจอเรไฟมีของกระจายนก็เป็นบัตรของล็หล่ดูมีเจ้ของเราไม่รู้นีเจ้ของเราจิตไปไม่ถึงทางอักันอยแต่วังเอิญเจ้ของเขามาโทรมาถามาให้เขเราไม่รู้มีจ้าออย่างนี้ป็นตรนตั้งใจร่างกายถึงห้าบริสุทธิ์เป็นว่า สิบห้าเนี่ยเป็นสีสิ้นเข้าโปสูญแล้วเิ็นธาตุางมี้ถ้าบุคคลใดจะจิตรักสี้แปดเป็นปกติแต่จิตเริ่มเขาเป็นวานาคารอันดับแรกตั้งใจเวลาเที่ยงตั้งแต่เวลานี้ไปจะเป็นจะตายจะตามให้ละเมิดสิบห้าว่เป็นไจะเ่อเถ่อขาไม่ถือว่าทำลายจเมื่อจิตแน่แน่แล้วก็ตั้งใจว้จุตหิว่าเราเกิดทามาก เราบำเพ็ญบารมีบำปีนี้ท่านหนกนี่แลเวลานี้เราเป็นคนมีบารมีเป็นปรมัตถบารมีถ้าเรายังโง่คิดอยากอยากเกิเป็นคนเป็นโยนนานั้นผมนี่เราก็โง่จริงๆแ่างเราเคยเป็นในส่เป็นโยนนานมาเยอะเกิเป็นคนมาเยอะมันก็อยู่ไม่ได้เรามาเกิดเป็นมนุษย์บางทายต้องเกิดลงมา ตอนรูไปเราไปเอาเทวดาพระพรหมเกิดแล้วมาอยู่ปกติมันอยู่ต ล, ลอดเราก็อยู่ที่แต่เราตรอดเลยอยู่ให้มันสนบายไม่มีความทุกข์ไม่มีแกมไม่มีโวยเมมีหนาวไม่มี้วนามนมีทุกข์มความสุข อ, อ, อย่างเดียวที่นั่นเขาเรียกเทว่านิพพานเราตัดสินใจเลยววันนี้เราจะวันนี้ไปกย่วันกีตายฉันเอาสุดเดียวเพ่ต้องการนิพพา แต่การเียปฏิปันได้ต้องการนรกให้ก่อนคือมันมันคงในการพระพุทธเจ้าพระธรรมสุเอาชิ้นห้าเป็นกระ s พงขั้นนรกการนรกโด n ชิ้นห้าคือพระพุทธธรรมมุสุก็ดีชิ้ o ห้าราการดีเท่าต้องสองอย่างนี้ครับพระพุทธเจ้าโดยพระธรรมโดยมุสุโดยมีชิ้นไว้ปฏิปันมนรก แลาต้องนั่งยา ก, การนรกทำหน้าภูตเจากก้ามาทำหนังส่งแบบนำาน้นนสากกสิจะพาเราไปนิพพานแค่นั้นเองเลาลังภู้จ้ามาทำหนังส่งนำน้าถึงจะพาไปนิพานนี้ก็ตั้งใจไปนิพพานถ้าเราไม่ตั้งใจไปเราดื้อจะพาเราไปไม่ได้เราไม่ต้องไปดื้อไม่ดื้อตรงไหนตัดสินใจเราจตามนี้ไปฉันดื้อสองการอะไรทั้งหมด ทำความดีทุกอย่างนะแต่วเวลานี่ไปฉันส่งทางนิทาร่างกายที่มันตายมาอะไรฉันไ ป, ไปนไปิานทานฉันเองถ้าทุกคนทุก อ, อย่างนี้วันนี้คนที่ยังบรรได้ได้ยังใช้แค่เดียคนที่ได้โดยได้จะได้ดียิ่งขึ้นไปทุกวันทุกวันแย่ขึ้นไปทุกอย่างยางที่ได้ทั้งหมดที่มีการเสืใอมายมาแรงนิทานเหมือนนั้น<ม>ถ้าเวลานี้ก็หมดเวลาตอนนี้ไปก็อขอบันไดแย่โยมทลายทุกคนหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ม, มาใหม่ให้เริ่มอาวนาวันละมักระคะนะให้เวลาสิบห้านาทีเวลาให้ใจเข้า น, าานาี่วันละมักระพได้ใจออกละะแล้วักถ้าเวลาที่มีคนเข้าไปนั่งท่านาจะแนะนําก็นั้นหยุดภาวนาใช่ไให้ขนใจกระโหลใจก็ออกฟังคําก็าาแนะนํ า, นาก็แนะนํายังไงตัดสินใจอย่างนั้นถ้าเขาถามว่าเั็นยังไงมนีย ความคิมันยังไม่เงียบแต่ทุกู่ต่ทเรื่องกย่างมิมันเป็นที่กรจาที่มันรลทตรงแต่เวลานีมันก็ตกใจไหมคิมันมเแต่งตัวยังไงแล้วความคิดมันไมีเียดัมดเองไ่ดมาิงความไม่ที่งคับพอครูเขายืนยันสองําคำตอนนี้ความสว่างเริ่มเกิด เริ่มเห็นภาพที่เริ่รู้ทางใจเห็นเรื่องของภาพนั้นต่อไปเราจะพาไปที่จุฬาลงกรณ์โดยจุฬาลงกรณ์จะส้องวางทักษะมีก่อเก่าในมาดนะครับเห็นแค่ต่อไปราพาปิการจนแค่คนใดเข้าไปปิกานได้วันนี้ใต้เมื่อใจะฏิกานั้นต่ที่ไปขออนากันที่วันศพานเริ่มปฏิบัติได้